ธรรมาใกล้ตัวฉบับที่สามสิบสองบัลลังก์ย่าตอนที่สามสุเดรชานวันคืนล่วงไปเหล่าเทพนารีหวนระลึกรู้ถึงกุศลกรรมที่น้อมนำส่งผลให้มาสวยที่พยาสมบัติในบัทนี้เนื่องด้วยเหตุจากพบก่อนอันใกล้ สวยชาติเป็นมนุษย์หญิงใยในทานรักษาศีลภาวนาและเป็นผู้มีฮิริโอต ป, ปะเหล่าเทพนารีทั้งหลายจึงได้ชักชวนกันไปฟังธรรมเทศนาภาวนาอบรมจิตจากพระอริยเจ้าและพระโพธิสัตว์นเทวสภาอยู่เป็นเนืองนิจแต่ข้า ก็หาได้มีจิตประวัติแม้อนุโมทนากุศลใดไม่คงประมาทมัวเมาสวยสุขเสพ บ, บุญเก่าเที่ยวเล่นเรื่อยไปแม้ที่พยาวิมานของเทพอื่นก็ชื่นชมประดุดดังเป็นของตนจนการแสนนานล่วงผ่านพ้นฉับลันเสียงครืนครวนดังคำรามกึกก้องพร้อมสายฟ้าที่ แ, แลบแหลาบ ใายแสงวูบวาบเข้ามาในคลองจากสุขข้ารู้สึกเหมือนกำลังสะดุ้งตื่นจากความหลงใยยินดีเมื่อเห็นมวลดอกไม้สีสดเริ่มซีดจางเหี่ยวเฉาน้ำในสระใหญ่ค่อยๆเหือดแห้งแทนนินมันีแข็งกระด้างระคายผิวรสมี่ข้าเศร้ามองรัตนาอาพร อ, อับแสนมีเหงื่อไหลออกที่รักแร้ทั้งสองข้าง และปรากฏกลิ่นคาวของเดรชาลนความหวาดหวันแล่นเข้ามาสู่จิตข้าเมื่อแลเห็นในอุบัติการที่ไม่เคยได้ปรกากฏมาก่อนเจ็ดวันพลันผ่านข้าถึงการหมดอายุไขจุติลงมาร่างอันงดงามแปรเปลี่ยนเป็นกายยาบกร้านผิวเนียนละเอียดปรากฏขนแข็งหนาทิ่มแทงออกทั่วไป วงหน้ารูปไข่กลับกลายเป็นโครงกระดูกยืนยาวออกมาฟันกลมเล็กเรียงเป็นระเบียบสวยกลับกลายเป็นคมเขี้ยวแหลมคมแขนขาเรียวงามหดสั้นลงปกคลุมด้วยขนหลังงอคุ้มก้มลมมีกายทอดไปในแนวขวางอา น, นิจจาข้าผู้เคยเป็นนารีเทศสกลกายผุดผาากว่า น, นางใดในสงูง มีรัสมีท้องสองสว่างเปรียบตาแสงแห่งอรุณรุ่งข้าผู้ครอบครองวิมานแก้วอันวิจิตรสวยที่พยาสมบัติอันเลิศเกินมาหากษตรใดจะเทียมเท่าแต่ครั้นหมดบุญทุกสิ่งพลันสูญสลายอากุศลกรรมเก่าตามมาสมผลกำเนิดสู่พบอันต่ำต้อ ภาพของร่างงามที่ค่อยๆแปรผันทำให้บุรุษหนุ่มต้องเบือนหน้าหนีการเปลี่ยนพบช่างดูน่าสะพรึงกลัวโดยเฉพาะถ้ามันคือการร่วงจากพบสูงสู่เดรัจฉานซึ่งเขาไม่เคยตระหนักมาก่อนนับแต่ลืมตาเกิดมาเขารู้เพียงตนคืออดีตชาติมหาราชผู้ยิ่งใหญ่มากมายด้วยมหาสมบัติและปวงบริวารกราบกรานแทบเบื้องบาทแต่แล้วด้วยเหตุใดเล่า จึงกลับกลายเป็นยาจบเข็นใจอดมือ้อกินมือ้อท้องกิว่วถูกข่มเหงรังแกจากผู้มีอำนาจราชศักดิ์ไม่เว้นแต่ละวันเหลือก็เพียงแต่ร่องรอยของความโอหังหลงตนที่บอกเขาของความเป็นคนเดิมและความทรงจำในรสสุขอันไม่ยอมลบเลือนประหนึ่งปลายเข็มแหลมคมนับพันเล่มที่ปักตรึงคอยตอกย้ำเพิ่มความเจ็บปวด ทันทีที่ฉุกคิดย้อนกลับมองตนสัพสิ่งรอบกายก็พลันหยุดเคลื่อนไหวเหมือนหนึ่งเข็มนาฬิกาจะหมุนย้อนนำอดีตชาติพบกลับคืนมาเชิญติดตามตอนต่อไปในธรรมะใกล้ตัวฉบับที่ส3สาม